สังวรสังรมอินสีหกคือตาหูจมูกลีนกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงรวมกลิ่นดินรถผุทารธรรมรมณ์โดยใจสอนเพื่อใจดังทัณฑ์ีไปเถอเกินไปหุ่นจบได้ประโยชน์ผมก็สอนนยู่ียวที่ดียแต่ความไปยังเขายินดียินร้ายว่บ่ได้พี่นหห้ามหอนตรงนี้ารก ถาหากว่าเขารู้เรื่องชัดม่เดบกแต่ความยินดีมันก็เป็นเหตนในทุกเกิดถ้าเราไปหมายมันมันความยินไายมันก็เป็นเหตนในทุกเกิดชิ้นทั้งสองอย่างมันมีราคาเท่ากั น, ในใครันมันเกิดขึ้นมืมันเห็นโทษมันทุกอย่างนี่อันความยินดีขึ้นมากกระด็นซักแต่ว่ายินดีเท่านั้นถาานานา้าความยินไายเกิดขึ้นมื่อกะสักแต่ว่าความยินไายเท่านั้น เพราะนี่มันการังกับเห็นพี่จะน่าไปตรง้หายไปเช่นมสัสยิดสารนี่เราถือว่าตั้งแต่เมื่อเราเกิดมามัสิดสารห่วงกันที่สุดถ้าใครไปตกไปจับตายตีตา ย, ตายเขาตกตามข้างๆมันเป็นอะไรตกตามนี้ก็ไม่เป็นอะไร ไปตก ท, ที่ศาจ่เราเอาความยึดกับไปหมายมันตรงนี้สําคัญกว่าเขานั่นก็เลยเกิดเป็นพิษขึ้นมามีความร้ายเช่นอย่างกา ร, รมาคมก็เหมือนกันกา ร, การเสพกามเนี่ยมันก็เท่ากันกับมีรู้จะมูกเอาในมือแย่กันไปเท่าเนี้ยมันมีอะไรไหมแต่ถ้าเราไปวางความยึดมัน่นหมายมั่นมาตรงนั้นสําคัญที่สุด มันเป็นช่องที่ชาวโลกชอบกันที่สุดในจะเอา ว, วางไว้ข้างบนเนี่ยไปวางไว้ตูดนั่นก็ได้ถ้าไปเห็นริ้บแต่เน่ยมันใจมันสบายมันเป็นยังไงก็มงไม่รู้จักในรู้ว่าสาัตว์ม่รู้ว่าบุคคลจมูกเอามือแยกเอาไว้ที่เนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยเอาขี้จมูกออกเฉยๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรพราะเราไม่ไม่เอาไม่ได้วางความยึดมั่นถือมั่นแบบตรงนี้เนถ้าเราวางไว้ข้างตูดนั่นน่ะ มันยิ่งสกรปรกด้วยตรงนี้มันสําคัญที่สุดไหมชาวโลกมองตรงนี้เป็นสําคัญที่สุดเนี่ยเพราะแต่ยังไม่เห็นท่านอ่ะเวอร์ผ้ากระเทือน ก, กับเทนี้เท่านาั้นอ่ะตายแล้วเท่านาั้นนี่มาเพราะอะไรมันพบมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราถือได้ว่าตรงนี้ก็เหมือนดูจหูกเราเท่านาั้นเอาอะไรไปแยกเอาไปมันก็เฉยเฉยเท่านั้นนะแค่แค่ขี้จมูกออกมาเท่านาั้นเนี่ยเรามาคิดอย่างนี้ตัวมันห่างกันเท่าไหร่ไหม เรื่องธรมรมดาก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้มันได้เอาพบกับไปใส่มันเนี่ยมันก็ไม่เกิดชาติขึ้นมาเนี่ยนะไม่มีชาติเกิดคือไม่มีความสุขความทุกข์ไม่มีความยินดีดเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีอะไรเป็นธรม ร, ธรมดาธรรมดาเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมันม่นมันว่าตรงนี้มันเป็นนั้นนั้นอันนั้นชาวโลกท่านเอาอะไรไปใส่อตรงนั้นเนี่ยใสย่ตรงนั้นชอบคนชอบชอบทํางานติดตรงสุขกระโปรง ที่สะอาดเนี่ยไม่ชอบทํางานตรงที่ก็สกกระปรูตะไรบชอบทํางานือเนี่ยไม่ต้องจ้างด้วยต้องจ้างเขาเปล่าทํางานธรรมดาได้เงินได้ทองเขาจ้างเราอันนี้เราจ้างก็เอา <c oughs> เนี่ยดูดีดู ด, ดีนี่มันถูกสมมติปัญญตัตาถึงนั้นให้เราคิดกับอันนี้เป็นหลักปฏิบัติของเราเท่านั้นนะถ้าเราพิจารณารูจมูกรูหู ร, ร, รูทั้งหมดมันก็เหมือนกันทั้งนี้ มันเป็นลูกขี้เหมือนกันทั้งนั้นใครไว้ที่ไหนไม่มีขี้ไหมมันลูกขี้ทั้งนั้นแหละเราพิจารณาไม่ดีพิจารณาไม่เป็นธรรมะมก็สยบสยองอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหน ม, มันเป็นบ้าอยู่ตรงนี้นะคนนะอันนี้เป็นเหตุนะธรรมะปฏิบัตินี่พว่าไม่ต้องไปถามอะไรใครมากหรอกไม่ต้องไปสอบสวนอะไรมากอืม นั่นและพี่ยังหาจิตตรงนี้มันขาดบางทีผมเห็นพระแบบกดคตใหญ่ตากแดดไปโน่นไปนี่หลายจังหวัดผมก็มองดูแต่ผมเหนื่อยเหมือนกันไปทําไมไปหาความสงบผมไม่มีคําตอบเขาแล้วไม่รู้ว่าความสงบอยู่ตรงไหนไม่ใช่ให้โทษเพราะผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอืมผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไปหาความสงบนึกว่าความสงบมันจะอยู่ตรงโ น, น่นตรงโ น, น่นตรงโ น, น่ น, นคิดไว้อย่างนั้น แต่ก็มีจริงๆเหมือนกันนะอืมเมื่อไปตรงนน้นก็สบายหน่อยมันสบายตรงไ อ, อ้คนเรามืก่กว่าตัวเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นเืน่องกว่าตรงนั้นมันจะสบายเนี่ยผมไปเห็นสุนัขอยู่บ้านพระภากระรัวซึ่งมักตัวนั้นใหญ่เขารักมันเขาบ้า น, น้วยข้างนอกบ้านแล้วอือืาเอาข้าวให้กินอย่ตรงนั้นมันก็นอนอยู่ข้างนอก มันอยู่ข้างนอกรนานไปเมื่อกี้คิดอยากเข้าในบ้านมันเขามาดันประตูเฮ่เฮ่เฮ่จะของก็ราคาญไปเปิดประตูให้มันมันก็เข้าใหม่สบายปิดไว้อากาศจะเข้ามันจะหนาวสุนัขมันก็ยิงไปยิงมาแล้วก็เบื่ออยูแล้วอยากจะออกไปอยู่แล้วมันก็ไม่เฮ่จะของก็ราคาญเนี่ยไปเปิดประตูให้มันออกไปอืเอาไปอยู่ข้างนอกสบายชั่วคราวเดี๋ยวมันอยากออกมาเข้ามาอีกแล้ว นะแล้วมาตะไกวประตู อ, อ, อ, อ, อย่างนั้นเล็กว่าข้างนอกมันดีกว่าข้างในก็เข้าไปเข้าไปชั่วคราวเด้อหืมดูอยไรอีกแล้วไม่ดีหรือยางออกมาออกมาแล้วมันไปยังไงแหละ <c oughs> ก็อยากเข้าไปเขามาจิตของคนเหมือนสุนัขมันก็เข้าๆออกอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ไม่รู้จักวันที่ไหนมันที่สบายอื <c oughs> เราคิดอย่างนี้อะไรทั้งหลายที่มีความรู้สึกนึกคิดในใจเรามันสพยายามระงับลงไปะ <ừ> นะพยายามคิดเฉยๆไอ้ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมันพร้อมกันทางนั้นหนะครับ <ừ> ฉะนั้นเรามาวัดอันนี้ดูพวกเรายัางไกลนะไกลยัยงไกลยัยงห่างไกลหลา ย, ลาย น, นั่นที่พูดถึง ไปเที่ยวเมืองนอกมาหลอกผมเขียนในหลายอย่างไปที่หนึ่งผมมีปัญญาขนาดหนึ่งไปข้างที่สองนี่ผมมีผมมีปัญญาขนาดนข้างที่หนึ่งผมต้องเขียนผิพนังสือตรงนั้นตรงนั้นข้างนี้ผมวางปากกาเลยไม่ได้เขียนอ น, น, น, นุษย์นะนี่ที่ไหนได้ปล่อยเลยคิดว่าเ อ, อเาจะไปเขียนเอาบ้านเอาเมืองเขามันจะโทนหรืเนี่ยเนี่ย <laughs> มันเป็นซะอย่างนี้น่ะ คล้ายๆเตว่าเราที่อยู่ในเมืองของเรานี่นะมันไม่ค่อยสบายคนไทยเราถ้าว่าไปถึงที่มันสบายก็นึกว่าเรามีบุญวาสนาบารมีแต่ไปเมืองนอกผมว่ามันจะสู้เขาอยู่ไรหรือเขาเกิดอยู่ตรงนั้นนะเราไปชั่วคราวก็นึกว่าเราเรามีความรู้สึกว่ามันดีมันเลิศมันประเสริฐเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีนะพระพากรองเขายังเกิดอยู่เมืองนั้นเขาไม่มีบุญมากกว่าเราแลย คือความย็นมันถือมันของคนนีฉะนั้นคนไปถูกอะไรต่างๆมันตื่นเต้นอืไปถูกอะไรมันตื่นเต้นมันชอบตื่นเต้นความตื่นเต้นในใจของเรานี่เนี่ยมันไม่ปกติแล้ว <c oughs> ไปเห็นสิ่งที่เคยไม่เห็นไปรู้สิ่งที่เคยไม่รู้แต่ว่าเรื่องเรื่องวิทย เรื่องวิทยาศาสตร์ยกให้เขาเลยไม่ต้องไปเถียงเขาเรื่องพุทธศาสตร์เรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังไม่ยอมเหมือนเรื่องวิทยาศาสตร์ทุกอย่างน่ะวัตถุต่างๆละม้อไปเขาเจ้าสู้ไม่ได้แล้วเรื่องพุทธศาสตร์นี่เรายังอยู่เหลืออยู่อเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเนี่ยบางคนนก็เป็นทุกเป็นยากเป็นอะไรก็ไปวิ่งตามรอยที่มันเป็นทุกมันก็ทุก นี่คนมันไม่ตกลงจิตในภาวนาไม่ถึงที่สุดมันไม่เห็นชัดคือการภาวนาไม่ติดตามไม่ติดต่อกันไปไม่ติดต่อเนื่องกันไปคือพวรู้สึกผิดถูกไม่รู้จักเกิดขึ้นมาอะไรไม่ชอบใจไม่เอามีเรียกว่าทิฏฐิกล้าอะไรชอบใจเอาอย่างคนบางคนพูดไดง่ายถ้าพูดชอบใจเขาถ้าพูดไม่ชอบใจเขาเข้าไม่ได้อย่างนี้ เัื่องทิฏฐิอย่างมากที่สุดตรงนั้นเขาก็เรื่อกว่ามันดียึดมันถือมันทะนั้นคนจะไปทางนี้มันน้อยพวกเราทั้งหลายทุกๆคนก็เหมือนกันที่มาอยู่ในนี้สัมมาทิฏฐินี่ยังมีน้อยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบดยอมากมันพิจารณาตามธรรมะนั้นไม่ไม่ชอบมันเห็นไม่ชอบ ถ้าเห็นชอบมันก็ลดละสิมันไม่เห็นชอบบางทีมันไม่เห็นด้วยมันเห็นอย่างอื่นมันอยากจะเปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไปตัวเราเองนี่แหละมันอยากจะแก้ธรรมะเดีย๋ยพยายามไปกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆตีนี่ผมช่างคิดได้อย่างเหมือนกันนะอีกอันนึ่งไปพบกับําโยคาก็ําโยคากันอ้ สารพาดอย่างเราทำมัเป็นขาหักหมดไม่มีเหลือแล้วคือเส้นเอ็นของเราไม่เป็นปกติตงรตงๆนี่นมันเยีอยกไปทำไป ต, ต้องทำทุกวันทุกวันก็สบายทำทุกวันทุกวันสบายวิ่งทุกวันก็สบายเขาทำถ้าหากว่าเขาไม่ทำเขาจะไม่สบายผมเลยคิดว่ นี่คือทำอารกณ์ใจเจ้าของอยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงนมันตึงออกวันนี้มันมันตึงเครียดอะรมันเปลี่ยนแปลงมันก็สบายสบายโวคาวก็เราะเราทำถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเกิดก็ไม่สบายอยีกแล้วจันดิก็ต้องทำทุกวันทุกวันตัววันทวันมันจึงสบายถ้าไม่ได้ทำวันทุงวันไม่สบายแล้ว ผ ม, ผมขอใจว่าเพิ่มงานเขามาอีกโดยที่ไม่รด้จักจ้าของนะทีนี่วิสัยของคนจะต้องทำนะเพราะเป็นจีนคนหนึ่งนี่นไม่นอนมาได้สามสี่ห้าปีแล้วมั้งนั่งเจ๊เจ๊ตัต้องการอาบน้ำทีหนึ่งปีนะร่างกายก็อ้วนเลือดลมก็ดีไม่ต้องวิ่งขนาดนะถ้าจีนคนนี้้า้เขาไปหินเ็จะไม่สบายกันเลย เพราะเขาฝึกอย่างนั้นฉะนั้นมันเป็นเพราะการฝึกสําคัญที่สุดมันแก้โรกก็ได้เพิ่มโรกกระไรไอความรู้สึกนึกคิดเรานี่ยส่วนกันทุกอย่างนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นที่พระพุทธองค์อาจารย์ไหนรู้รอบรู้รอบให้มันรู้รอบจริงๆอย่าให้มันในว่าอย่าให้มันในว่างเราทุกคน อย่าเพิ่งไปยึดมันถือมันมนอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นอะไรมันทั้งนั้นเราอยู่เช่นเนี้ยเช่ น, นอยู่บ้านเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เราอยู่เราอยู่กันสบายสบายมันก็ไม่มีอะไรมันสบายแล้วนี่แคย่ปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่ก็วิ่งรอยสบาย ปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่มันก็สบายถ้าอีกวันหนึ่งนะปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กๆมันจะเป็นไงไหมมันจะเกิดความอึดอัดไม่สบายใจขึ้นมาเช่นมาได้อยู่เมืองเรานี่กินสบายนอนสบายอยู่สบายอะไรสบาย่งถ้าไปเห็นอย่างอื่นจะก็ทําแปลกนี่ไปอีกเขาทาแปลกนา่วนี่ไปอีก มันจะเป็นปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กเนี่ยสมัยนี้เราอยู่เมืองไทยเรานะพัฒนาธรรมอย่างนี้การทำถูกต้องตามพัฒนาธรรมอย่างนี้มันก็สบายถ้าอีกคนนึงมาทําให้ผิดจากวัฒนธรรมเราจะเป็นยังไงมันก็เกิดความไม่สบายขึ้นทุกวันนี้เราอยู่เราเป็นปลาตัวเล็กอยู่หนองใหญ่มันก็สบาย ถ้าเราปลาตัวใหญ่ไปอยู่หนองเล็กมันจะเป็นงไงชาวเมืองนอกกับบรรนาชนนั้นที่เขาอยู่ตามสภาพบ้านเขาเนี่ยเขาก็สบายอย่างนั้นคล้ายๆเขาว่ามันเป็นปลาตัวเล็กมันอยู่หนองใหญ่สบายอืข้าาเมืองไทยเราบาารี บ, บอยู่แหละมันเป็นปลาตัวใหญ่อยู่หนองเล็ก อืมจะครบจะชันจะไปจะมาจะอะไรอะไรมันมันมันมันไม่ถูกทางกันทั้งนั้นอ่ะปลาตัวใหญ่เนอยู่หนองหนึ่งมันยิ้มไม่ได้ไปไม่สะดวกอืมขนาดนั้นไอ้ความเย็บมั่นถือมั่นนี่คงในระดับอันเดียวกันอยู่คนหนึ่งติดอย่างนั้นคนนึงคนนึงติดข้างซ้ายคนหนึงติดข้างขวาทั้งนั้นเนี่ยทั้ะนั้นในทางที่ดีพระพุทธเจ้าให้รู้จักให้รู้จัก ประเพณีไทยประเพณีฝ ร, รั่งให้รู้จักถ้าเรามีประเพณีธรรมะเราจะเอาประเพณีเมืองเมืองเมืองนอกเมืองไทยเข้ากันได้สบายถ้าเราไม่รู้จักปร ะ, ประเพณีของธรรมะแล้วมันยุ่งทั้งนั้นเนี่ยเอีมันยุ่งทั้งนั้นประเพณีธรรมะ น, นี่เป็นที่รวมของวัฒนธรรมทั้งหลายกันมาในนี้เป็นประเพณีอย่างนี้อืม อันนี้ผมเคยได้ยินคาพระท่านสอนหว่าเมื่อเราไม่รู้จักภาษาเขาไม่รู้จักคาพูดเขาไม่รู้จักความหมายเขาไม่รู้จักการกระทำของเขาในคนถิ่นนั้นเราจะพึ่งไปถือตัวในที่นั้นคำนี้ยืนยันตลอดเวลาเนี่ยผมเพิ่งมารู้ปรากฏที่คำเช่นนี้ปรากฏขึ้นมาในคราวที่ผมไป การบุกซีดุขาอันนี้อันนี้ฝึกออกมาใช่สองสองปีมาแล้วที่ได้ออกจากบ้านเอกไปเนี่ยมีประโยชน์มันเป็นมีประโยชน์แต่ก่อนมันยึดแล้วก็มัน่นเดี๋ยวนี้มันยึดไม่ให้มันมัน่นจับมาดูเฉยๆรากว็วาง แต่ก่อนจับมาไม่ยอมวางมันยึดยึดมั่นดีกว่ายึดมั่นสมัยนี้มันเป็นยึดใหม่มั่นให้ผมด่าพวกท่นก็ได้ให้ผมโทษพวกั่นก็ได้แต่ในทรรมองที่ว่ายึดอย่าให้มันมั่นอย่าให้มันขาดจากใจของเราสบายจริงสรวกจริงถ้าเรารู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีฉะนั้นผมจึงสรรเสริญคาสอนพระพุทธเจ้า ยึดเอาประเย็นทั้งสองเข้ามารวมกันสบายที่นี้รู้บางส AH! ิ่งบางอย่างที่จะเอามาฝากพวกเราทั้งหลายนั่นมีผมจึงว่าผมไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์พระศาสนา ประโยชน์ในมหาชนทั่วไปประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทั้งหมดไม่ใช่ผมตั้งใจจะไปดูประเทศนั้นประเทศนี้เมืองนั้นเมืองไม่ใช่เฉยผมไปเพื่อประโยชน์คนประโยชน์คนอื่นประโยชน์พบนี่พบหน้าถึงประโยชน์ประมัตาประโยชน์เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว มันก็เท่ากันทุกคนไม่มีอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผู้มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนกันไปทางไหนก็เดียวเสด็จไปดีมา ก, ก็ดีอย่างนี้จะเปรียบเทียบไปตรงนี้เห็นคนที่ไม่ดีบางคนเห็นคนไม่ดีล้วก็ตังเกลียดเมืม่อเรามีธรรมะเห็นคนไม่ดีนั่นเนี่ยคือครูเราแล้ว เราจรึงจะรู้จักคนดีถ้าเห็นคนดีก็ดีแล้วจะเป็นครูเราแล้ว ร, รู้จักคนไม่ดีเห็นบ้านหลังนี้มันสวยกว่าดีเราจะรู้จักบ้านที่ไม่สวยเห็นบ้านหลังที่มันไม่สวยนี่เราก็ดีเราจะรู้จักบ้านมันสวยไม่ได้ทิ้งสักนิ็ดเดียวธรรมะฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านว่า สู้ทั้งหลายจงมาดูโรคนี้อันนาตการดุดรสดดัสฉรสก็คนเขา่าจะคนหลงหนะโงกอยู่แต่ผู้รู้หาของอยู่ไม่เรียนนักทำเบกพอมพิจารณาเรื่องเกินอันนี้เป็นคําที่สําคัญแกเพิ่งมันมาโผล่ขึ้นในเมื่อเราปฏิบัตินี่สู้ทั้งหลายจะมาดูโรคนี้สู้ทั้ไหลายต่อทั้งหมดนี่นั่งอยู่นในก็สูทั้งนั้นเนี่ มาดูโรคนี้โรคนี้โรคมันโรคมนุษย์โรคอากาศโรคสัตว์โรคโรคทั้งหลายที่มันรวมกันอยู่เนี่ยถ้ารู้โรคทั้งหลายแล้วนี่อย่างแก่แจ้งะต้องไม่ต้องภาวนาอะไรถ้ารู้จักว่าโรคมันเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงมันไม่มีขัดไม่มีไม่มีขัดสนิดเดียวโรคก็เป็นกันอยู่อย่างนั้น พระพุทธองค์เนีรู้แก้โรครู้ความตามเป็นจริงของโรครู้แจ้งซึ่งโรคแล้วก็รู้ธรรมะอันอย่มันก็ไม่ห่วงในโลกถ้ารู้โรคโดยแจมแจ้งมันก็ไม่มีโรคกระทำเราไม่เป็นไปตามโรคกระทำนั้นมันก็ไม่สัตว์โรคสัตว์โลกมันเป็นไปตามโรคกระทำมันนั้นมันแย่งกันไปทุกอย่าง ฉะนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเราก็ให้พิจนารณานั้นพวกเราทาั้งหลายนี่มันยินดีนในรูปในเสียงในฝดในรสในโผฏฐัพพะธรรมลมอันนี้ให้เราพิจนารณานรูปเข้าใจไหมรูปรูปเราเนี่ยนี่นั่งอยู่รูปผู้หญิงรูปผู้ชาย รูปเสียงเราก็รู้กันรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะเราก็รู้กันทั้งนั้นนรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมธรรมะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อรู้รูปเสียงกลิ่น ร, โ ร, ร, นนนรสโภชภะมันก็มีธรรมารมณเกิดขึ้นกับจิตทั้งนั้นสิ่งทั้งหลายก็มารมอยู่ตรงนี้อย่าผมไม่แปลกกันอะไร ธรรมะนี่บางทีเดินไปข้างๆกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จักอยู่ด้วยกันตลอดปีตลอดชาติก็ไม่รู้จัก<ม>เรามันคิดเกินไปเราเรามันมีหวังจนเกินไปการปฏิบัติหวังเกินไปหวังจนเหลือเกินเหลือหวังเราอม เช่นว่าเราไปดูรูปผู้ชายดูรูปผู้หญิงผู้หญิงดูรูปผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นทุกคนสนใจมากที่สุดเพราะมันวาดสูงจนเกินไปทางหูทางตาอยากจะดิ้มจะเรียรอยากจะดูอากับจิิยาสารพัดอย่างมองเท่านั้นน่ะ ถ้าหากว่าไปได้แต่งงานกันซะแล้วก็ไม่อะไรเท่าไหร่นะ <c oughs> อยากจะนิ่ง ห, ห่างๆสัหกหน่อยหนึ่งบางทีอยากจะไปบวชเสื่อแต่มันไปไม่ได้นี่เหมือนกันกระไอ้นายพานที่เห็นเนื้อนายพานไปยิงเนื้อเห็นไหมถ้าเห็นเนื้อที่มันกลัวคนเมื่อไปเห็นมันนั่นน่ะมันก็สยบสยองมัน ทางหูทางหางมันสารพัดอย่างนายพานก็ยิ่งชอบใจยิ่งทําตัวเขาให้เบากลัวมันจะยิ่งหนีเนี่ยเนี่ยอันนี้กุมันกันยิ่งเห็นแบรูปเสียงเนี่ยรูปมันเป็นยังไงก็ยิ่งโอ้ยนอก็ยิ่งเพ่งฟินิชเข้าไปให้มันมากที่สุดแต่มันบีพอใจเรานายพานก็เหมือนกันถ้าเห็นเนื้อแต่มันจะมองเห็นเราเขายิ่งหยิ่งดีกลัวมันจะเห็นเราน้องยิ่งชอบใจใหญ่เลยเนะยิ่งทําอากัศกิยา รัวเนื้อมันจะยิ่งหนีเอ้ก็คิดว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้มันนะเมื่อได้จังหวะนายพานยิงตุง้งตายนายพานก็หมดพะละจะไปดูเนื้อมันตายก็เท่านั้นแหละไม่เห็นมีตื่นเต้นเท่ายเจ้าเนื้อมันมากินก็อิ่อิ่มแล้วก็เท่านั้นแหละไปดูหูมันก็เท่านั้นแหละไปจับหางมันดูก็เท่านั้นแหละ แต่เมื่อๆยังมีชีวิตอยู่ใจในพานไม่เป็นอย่างนั้นเนาะมันดูอากับจิยาของมันเดียวมันยวดยิ่งใหญ่ได้เกินทำให้ใจในพานใหญ่โตขึ้นมาโอ้พอกขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาให้มันชอบมากตัวระวังนะก็เหมือนกันนะเนี่ยคนเราลูกนี่ของมันการถ้าอยากะไดาอย่างไม่ได้มันก็รู้มันสวยด้เกินวะ ถ้ามันอยู่ร่วมกันเนี่ยบื่อเหมือนเนื้อที่มันตายแล้วก็ไปไวยหูมันก็ได้จะจับหางมันก็ได้นี่เนื้อที่มันตายแล้วอืมจับหางมันก็เท่านั้นจับหูมันก็เท่านั้นะก็มันตายแล้วะอันนี้ถ้าไปแต่งงานเนี่ยนะจะทําอะไรก็ได้ทำยังไงก็ได้มันก็เท่านัทำแต่ทําไงเดี๋ยก็หาทางนี้อยู่แล้วไปนี่แหละดอไม่พิจารณาของเรา แต่เราพิจารณาให้มันดีๆเพราะวาไม่มีอะไรมากไปคนนั้น <c oughs> คือมันวาดสูงจะเกินไปวาดถูงเกินไปมองดู ร, รูกเห็นมันจะกินได้ทุกแห่งโอูก็จะกินได้ตาก็จะกินได้จมูก็จะกินได้นะาบางทีนึกไปบางครั้งเนื่องว่าขี้มันจะไม่มีใจมันมอนอกคิดยังไงหรือเปล่ากันไม่รู้ใช่ไหมเนี่ รู้บางที่มันก็จะไม่มีเนาะมีก็แต่น้อยเนาะนั่นทั้งตัวมันจะกินได้หมดอ่นเนี่ยอันนี้มันวาดสูงเกินแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นอืไม่ใช่อย่างนั้นถ้ามันดิ้นเหมือนเหมือนแมวกับหนูเนาะ้ามันดิ้นยิ่งตั้งใจตะคุบเลยเนาะจับหนูสนูกนูหนูพลิกตัวครุบเลยแมวยิ่งตั้งใจขึ้นถ้าหนูตายแล้วตะคุบอะไรก็เชยหนูก็เชยแมวก็ไม่ได้ตั้งใจเชย มเมวคนนี้เนี่ยใช่ไหมนี่มันก็เท่านั้นเองแนหะมันวาดสูงเกินไปไอ้พวกเราทาั้งหลายมันไปตา ย, ยที่ตรงนั้นแหละดูดมันวาดเป็นไปฉะนั้น <c oughs> ฉะนั้นถึงนักบวชนี่ก็มันทนทุกข์อันนี้มากกว่าเขาละเนี่ยเรื่องกามเนี่ยเรื่องกามกามะคือความใคร่ใคร่ในความชั่วก็ใคร่ ใครในความดีมันก็ใขรแต่ในทนี่เรียกว่ากามะแต่แปลว่าในความใขรในทางที่ชอบใจที่ไม่ชอบใจแล้วกว็ใขรมันทำลายเรอะไรทั้งนั้นเนี่ยแต่ในที่นี้แบบกามะคือความใครเท่านั้นเนี่ยอมันเป็นเหตุออกยากลําลบากอืฉะนั้นพระพุท ธ, ทธเจ้าท่านสอนอานนท่านถามพระอานน์ถามว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วเนี่ะจะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติตามสติภาพอย่างไรคือจะให้เราปฏิบัติตามพวกผู้หญิงอย่างไรเนี่มันเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากมันลาบากจะจะให้ข้าพระองค์ประพุทธปฏิบัติตามสติภาพโดยอาการอย่างไรจึงจะมีเดือดร้อนพระพุทธเจ้า อ, อนุก็อย่าเห็นมันเลยดีกว่าพาระนุ่นกอฟังบไป คนจะไม่เห็นคนมันไม่ได้นะมัองถ้าเราจะเห็นจะทำไงดีเนาะคิดไปเดีมันพ้นมันไม่หลานต้องเห็นคนนี้ส mm ิบลายข้าแต่พุทีธิค่ะ mm hmm. ถ้าเหตุที่จะต้องเห็นมีอยู่จะให้ข้าพระองค์ทําอย่างไรเอออย่าพูดอนนนอย่าพูดถ้านนนก็คิดไปอีกเลย บางทีเราเดินไปในป่ามันหลงทางไงทำไงเนาะมันก็ต้องพูดนะมัจะคงไปอย่างนี้เลยนะกะทำเ่ถ้าหากว่าเหตุที่จะต้องพูดไห้อยู่ใจข้าพระองค์ทำอย่างไรอ น, นอนพูดไปนี่สิเต็นช่มเห็นมีสติทุกครั้งทุกเวลาในสตินี้จริงเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุด เอาแต่เหตุที่มันจําเป็นในดูแต่ว่าที่มันจําเป็นหรือจะพูดแต่สิ่งที่จําเป็นอืมจะถามแต่สิ่งที่จําเป็นถ้านี่จิตสกรปรกลามกขึ้นไปแล้วอย่าไปดูมันอย่าไปถามมันอย่าไปพูดมันแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันยิ่งจิตมีสกรปรกเท่าไหร่มันยิ่งอยากจะพูดนะนั่นเหตุมันดุดังนั้น ยิ่งสกระปกกลกรากอะไรี่ยิ่งอยากจะถามยิ่งอยากจะเห็นมันไปคนละอย่างกันนี่อย่างนี้มิฉะนั้นผมกลัวกลัวผมกลัวอันนี้มากแต่ที่พวกท่านทั้งหลายไม่กลัวนั้นอาจจะเลวกว่าผมก็ได้ไม่กลัวมันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างนั้นผมต้องกลัวไวเ้เถอะกลัวว้ เคยมีไหมคนแก่ๆก า, ามารากมันมี้ไหมผมจะพูดที่มาอยู่กับผมนี่ผมจะให้ห่างมากที่สุดถ้ามีไม่ความจําเป็นอย่าไปแตะต้องอันนั้นผมไปอยู่ตน้นไม้อยู่ในป่าไปเห็นดงมันอยู่ตน้นไม้มันซัดกันก็นั่งกรรมฐ า, านดูนลยผมยังอยากกับมันเลยนึกนั่งดูเนี่ยไปอยากดีมกันไม่เป็นดิงกับเขาดิ เอาดีจิ่งก่ามันซัดกันทันนี่ผมก็อยากนะมันโยมผู้หญิงไม่ได้ฟังคำผมดอกสมัยนะั้นผมกลัวร้ายนี่ฟังไม่ได้อืมฟังมันปนมดเลย น, น, นี่ไม่ใช่ผมลังเกลียดเขาครับผมมันโงูมเดี๋ยวนี้เขาพูยพูดกับคนเถว า, าแก่ๆนี่เพราระวังตัวเลยฉะนั้ น, น, นจึงจึงมันผ่านอันตรายมาถึงฝันนี้อืม ไม่ใช่ว่าไปเยีกคิ้วส่แหย่หายใจอย่างนั้นอันนี้ผมกลัวทำไม่ได้ระวังสมาธเราต้องเป็นอย่างนั้นทุกคนตัวนี้เป็นสิ่งสําคันี่ย